แต่หันไปขอมีดเหน็บจากเอวของแง่ า, ายออกมาถือไว้เงยหน้ามองดูทุกคนแล้วก้มลงจับข้อมือศพข้างหนึ่งขึ้นมาพลิกหงายขึ้นใช้ใบมีดอันคมกริบเฉือนลึ ก, ล, กลงไปจนถึงเส้นเลือดใหญ่ที่ข้อมือข้างนัง้นมันเปิดเนื้อขาวเวอร์ออกไปก่อนอึดใจเดียวก็มีโรหิตสีดำคำ้าไหลซึมออกมาเล็กน้อยทุกคนมองดูรอนอย่างงงงแพทย์สาวใช้ใบมีดป้ายเลือดให้ทุกคนดูเห็นไหมคะพี่ใหญ่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 รอยเขี้ยวงูจะไม่มีลักษณะเป็นเพียงแค่จุดแดงที่เราเห็นอยู่นี่มันจะเป็นรูบาแดแผลลงไปให้เห็นชัดทีเดียวและจะปรากฏอย่างน้อยก็สองรูคือเขี้ยวล่างรูหนึ่งและเขี้ยวบนอีกรูหนึ่งในขณะที่มันงับลงมาถ้างั้นอะไรพวกมแมลงพิษร้ายกาดบางชนิดเป็นต้นว่าแมงมุมประเภท Black Widow อย่างในแอฟริกาหรือพวกที่ใกล้เคียงกันพรานใหญ่โคงโคร ง, งหัวอยู่เช่นนั้น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 ตามความเห็นของคุณในฐานะที่คุณก็เป็นพรานเชี่ยวชาญกับสารพัดสัตว์ป่ามานานถ้างั้นก็แปลว่าความตายของเขาเกิดขึ้นเพราะเลือดที่ถูกสูบออกไปหล่อนยิ้มคึ้นขึ้ขสั่นศีสระเลือดที่ถูกสูบหรือ ด, ดูดออกไปมันไม่มีปริมาณมากมายนักหรอกไม่มากจนถึงกับทํำให้เขาตายแต่ที่ตายมันเป็นเพราะพิษร้ายต่หากมันแบ่งออกได้เป็นสามในคือหนึ่งต่อยพิษที่หมดสติ หรือตายเสียก่อนแล้วดูดเลือดสองระหว่างที่ดูดเลือดก็ปล่อยพิษเข้าไปด้วยพร้อมกันสามดูดเลือดให้เต็มอิ่มเสียก่อนแล้วปล่อยพิษนี่เป็นการสันนิษฐานตามข้อจนรสูตรในหลักวิชาแพทย์ของฉันอึ้งไปอึ่ใจใหญ่และพินก็ก้มหัวลงผมเห็นด้วยตามข้อสันนิษฐานโดยมูลฐานหลักวิชาของคุณหญิงครับอารที่นี้ในฐานะที่คุณเป็นพราน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 เป็นครั้งแรกในชีวิตของพรานใหญ่เช่นเขาที่จำนวนต่อปัญหาในเรื่องความรีรับพิสดารของป่าจนยืนงานอยู่กับที่แต่แล้วขณะนั้นเองก่อนที่เขาจะกล่าวคําใดออกมาแง่ซ า, ายผู้ยืนสงบนิ่งอยู่เป็นเวลานานก็เอ่ยขึ้นห้าวห้านายหญิงครับดาลินหันขวับไปทางเสียงนั้นทันทีกระเหลียงหนุ่มพเนจรถอนใจลึกนายหญิงยังไม่ดได้บอกเลยว่าเมื่อคืนนี้นายหญิงเห็นอะไร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 ตั้งใจจะหลับต่อขณะนั้นเองก็ได้กลิ่นอะไรชนิดหนึ่งฉุนตลบไปหมดกลิ่นคล้ายๆดอกลำเจียกอย่างว่านั่นแหละหนังตาหนักไปหมดลืมแทบไม่ขึ้นแล้วก็หมดแรงอ่อนเพลียอย่างบอกไม่ถูกกระดิกกระดี้ไม่ไหวทีเดียวหลอนหยุดเว้นระยะยกมือทั้งสองขึ้นรูปคำรำคอสีหน้าสยองใจแล้วหลอนก็เล่าต่อไปอย่างละเอียดในปากรการประหลาดที่ได้เห็นก่อนที่จะหมดความรู้สึกไป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 แล้วก็เปล่งแสงสว่างวาวจ้าขึ้นมาอีกเป็นจรหวะเหมือนหิ่งห้อยไม่มีผิดเว้นแต่ดวงใหญ่กว่ามากรัศมีที่เปล่งบูบออกไปของมันขนาดถาดหรือไม่ก็กระมังย่อมๆทีเดียวอาการไปก็ไปอย่างเชื่มช้าเหมือนจะตายรออยู่บนหลังคาเต็นท์และแสงนั้นส่องผ่านผ้าเต็นท์ลงมาให้เห็นท่ามกลางความมืดใจฉันขณะนั้นต้องการจะปลูกพืชใหญ่กับชายยันขึ้นแต่มันไม่มีเสียงออกมาจากลําคอได้เลย กระดุกกระดิกก็ยังไม่ไหวได้แต่นอนจ้องมองดูแสงเั้นเฉยแล้วก็หลับไปอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนกระทั่งทาให้นึกว่าฝันไปแต่โดีนี้แน่ใจแล้วว่าไม่ได้ฝันเสียงแง่สายคลางอะไรออกมาคาหนึ่งลึกอยู่ในลำคอแล้วหันไปทางพรานใหญ่พูดเกือบจะเป็นเสียงกระซิบผู้กองครับเดี๋ยวนี้ผมแน่ใจแล้วว่ามันคืออะไรผู้กองจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามผมขอบอกว่า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 แง่ทายกำลังจะยืนยันให้ผมเชื่อว่าอะไรชนิดหนึ่งซึ่งพานพื้นเมืองรุ่นเก่าๆเคยเล่าไว้อย่างพี่เล็กพี่ลั่นมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเจ้าสิ่งอันลี้ลับหน้าขนพองสยองต้าชนิดนั้นพวกเขาเรียกกันว่าขโมดดงพวกผู้ผีพิศาจอีละสีดาเดินร้องแหลมออกมาลืมตาโตกระาเสียงของหลอนมีแววเยาะแต่ตัวเองห่อไรลนลุกเกลียว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 ซึ่งผมเคยได้ยินได้ฟังมานานแล้วแต่ไม่เคยพบด้วยตนเองสักครั้งการตายของลูกหาบราคนนี้มันมาคล้องจองกับนิยายเรื่องนี้เข้าพอดีเสียงชายยันอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งในราคอเชิดฐานหันไปทางแง่ทรายโดยเร็วแง่ทรา ย, ายอะไรทําให้แกคิดว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่เรียกกันว่าขโมโดตรงนั่นและแกจะบอกได้นี่ว่ามันคืออะไรกันแน่ผมไม่เคยเห็นมันมาก่อน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 วิทยาได้แน่ชัดว่าลูกหาบของเราถูกดูดเลือดและถูกปล่อยพิษเข้าไปนั่นเป็นเหตุให้เขาตายค้นพบตำแหน่งที่เจาะดูดเลือดอันเป็นตำแหน่งเดียวกับทางปล่อยพิษด้วยน้อยต้องไม่ลืมว่ามันมีกลิ่นคล้ายดอกลำเจียกรอยมาด้วยสะกดเราให้หลับและสัต์ประเภทไหนล่ะที่ทำให้คนตายได้เพียงแค่ทิ้งบาดแผล ร, ร่องรอยไว้เป็นจุดแดงเล็กๆ เ, เ, เท่านั้นเองมันน่าคิดอาการนะ ชายายเสริมาโดยเร็วนั่นเป็นความดีรับพิสดารที่เราจะต้องค้นหาไม่เพียงแต่กลิ่นหรือรอยบ า, แาดแผ ล, เ, ล, เ, ลเท่านั้นปรากฏการณ์อันมีลักษณะเหมือนดวงหิงห้อยยักของมันด้วยถ้าสายตาของฉันไม่ฝาดเมื่อคืนและถ้ามันเป็นสิ่งเดียวกับที่มาดูดเลือดลูกหาบของเราโดยไม่ใช่เป็นเหตุการณ์บังเกินประจวบเหมาะอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามฉันยอมรับว่ามันเป็นสิ่งมหัศจัรนันขนรุก และเดาไม่ถูกเอาเลยว่าแต่หล่อนหันไปทางดรพินลักษณะการตายอย่างเดียวกันนี้คุณไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยหรือในชีวิตเดินป่าของคุณไม่เคยครับและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นด้วยเท่าที่เห็นก็พวกที่ถูกมูพิษย่างแรงกัดรอยเคี้ยวปรากฏชัดที่ศพแม้ว่าเขาจะตายเงียบในเวลากลางคืนโดยที่เพื่อนเพื่อนผู้นอนใกล้ชิดไม่ทันรู้สึกตัวและโถ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 ฝังศพเสร็จเราก็ออกเดินทางเลยตามแผนเดิมล่าไอแหวงไปด้วยเตรียมรับมือกับไอ้ผีขโมวดปบพางตอนกลางคืนถ้าพวกเราไม่หลับยามเสียมันจะมาอีกท่าไหนก็คงได้รู้กันผมต้องการพิสูจน์เจ้าสิ่งรีรับนี่ออกไปให้ได้ว่ามันคืออะไรแน่เชษฐาสั่งการเชา้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปชนิดแข่งกับเวลาและพิณปฏิบัติตามคาสั่งของนายจ้างเขาคือกบกลืนสาเหตุการตายแท้จริงของลูกหาบไว โดยให้ทุกคนเข้าใจไปว่าถูกงูกัดคงให้รับรู้เฉพาะพรานของเขาเท่านั้นศก ข, ของเลนถูกฝังไวยง้ยังบริเวณที่ตั้งแคมป์นั้นข้าวของสัมภาระถูกลูทอถอนบรรลุบรรจุโรงเกลียนทุกคนรับประทานอาหารเช้ากันอย่างเร่งรีบและเงียบเหงาก่อนออกเดินทางเล็กน้อยแง่าสายเลี้ยงเข้ามาพบพรานใหญ่ในขณะที่เขากําลังใช้ยางเส้นเล็กๆผูกมัดรูปไรเฟิรนสี่ห้านัดเข้าด้วยกันเพื่อหย่อนลงกระเป๋าเสือ้อ การไม่ให้กระทบการเกิดเสียงในขณะเดินเป็นการพบกันสองต่อสองแง่า ย, ายแอบกระซิบเล่าให้ฟังว่าตนเองได้พบเหตุการณ์ตายหรือครับชนิดเดียวกันนี้มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งผู้ตายเป็นเพื่อนกะเลียงออกตะเวนล่าช้างด้วยกันขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนซึ่นอนค้างอยู่ที่กันกลางดงเขาหลับสนิท ต, ตื่นขึ้นมาพบเพื่อนนอนเป็นศพไปเสียแล้วโดยค้นหาสาเหตุไม่ได้แง่ท า, ายเล่า ว, ว่า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 ที่เพื่อนกับแกไปนอนแล้วเพื่อนตายไปอยู่ที่ไหนโป่งผีสิงครับโป่งผีสิงที่แงซ า, ายบอกคือดงลึกแถบหนึ่งห่างจากโป่งกระทิงไประยะห่างเดินสิบกว่าชั่วโมงทางตะวันออกเฉียงเหนือและพผิดหลี่ตาคิดแปลกหรือเกินนะแงซ า, ายฉันเองก็ท่องเที่ยวอยู่เป็นเบื่อในแถบนี้มันไม่เคยปรากฏเรื่องแบบนี้ให้ฉันรู้เห็นกับตามาก่อนเลย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 ของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลิงหรือว่าพลอยถูกอำนาจรึกลับสะกดให้รับเหมือนเช่นทุกคนกันแน่หรือว่ามันประกอบกันทั้งสองอย่างเสือสมิงที่ว่าร้ายกาศเพียงไหนไม่เคยที่จะรอดพ้นไปได้หลงว่าท่าพลาอย่างเขาหมายจะร่าถึงไอแหว่งช้างเกเรพร้อมทั้งโขงของมันก็ไม่มีทางจะพ้นมือเพียงแค่ช้าหรือเร็วตามจังหวะโอกาสเท่านั้น ไม่มีสัตว์ป่าชนิดไหนที่ตกเป็นเป้าหมายการตามร่าของรพินแล้วจะไม่ได้ตัวเขารู้จักสัตว์แต่ละชนิดที่หมายล่ารู้นิสัยสัญชาตญาณทิศทางหากินร่องรอยโดยปรุโปร่งสันทัก์และชนานาญเยี่ยมแต่บัดนี้เขายอมรับว่ากาลังไปเชิญอยู่กับสิ่งลึกลับชนิดหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้จักมันมาก่อนเลยไม่สามารถแม้แต่จะลงความเห็นได้ว่ามันคืออะไร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 ดูไปหนึ่งว่าจะรู้จุดอ่อนฉะนั้นและรงว่าได้มีการตายเกิดขึ้นอีกสักครั้งแล้วมัน้นมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆกันอีกโดยไม่หยุดยัง้งไม่มีอะไรก็อะไรสักอย่างหนึ่งลูกหาบทั้งหมดมีอยู่16คนเริ่มจะตายไปเป็นลําดับแล้วสามคนปัตนี้เขาเริ่มสังหรณ์ว่ากว่าจะเดินทางไปถึงลมช้างคนเหล่านี้จะมีอันเป็นไปเช่นไรอีกบ้าง อย่างไรก็ตามยังมีส่วนดีที่พอจะปลอดโปรงใจได้อยู่บ้างในกรณีที่ว่าคณะนาย้างของเขาทั้งสามคนแม้จะไม่จัดว่าเป็นผู้ชำนาญป่ามาก่อนแต่ก็รู้ว่าเป็นนักต่อสู้เผชิญภัยที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญสติมั่นคงหนักแน่นได้ระดับทัดเทียมกันไม่มีการเสียขวัญไม่ว่าจะเกิดเหตุวิกฤตการใดๆขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นนักปัญญาชนมีฝีมือพอที่จะร่วมสถานการณ์กับเขาได้ทุกอย่าง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 ตามรายทางอยู่ตลอดเวลาบัดนี้เรกิกสนใจเสิแล้วทั้งสองปล่อยให้กวางหรือวัวแดงวิ่งเตลิดตัดหน้าไปสองสามครั้งโดยไม่คิดจะยิงนอกจากจะมองดูมันเฉยๆไหลเฟ้นขนาดหนักพลาดอยู่กับตักเตรียมพร้อมเฉพาะนาทีฉุกเฉินที่อาจจู่โจมมาถึงตัวเท่านั้นส่วนเชษฐานอนพักเอาแรงอยู่ภายใต้กูเกียนนับตั้งแต่เริ่มออกเดินทาง